ข้อความในจริยาปิดกต่อจากครั้งที่แล้วมาดูสาสสะบันดิตจริยาในหน้า216อข้อ10อีกเรื่องหนึ่งคือพระผู้มีพระภาคตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังถึงจริยาความประพฤติของพระองค์ที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เล่า ว, ว่าในอดีตในการเมื่อเราเป็นกระต่ายเที่ยวอยู่ในปา่า กระต่ายก็มีหญ้ามีใบไม้มีผักมีผลไม้เป็นอาหารก็ชีวิตของกระต่ายก็เป็นชีวิตที่เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นในการครั้งนั้นลิงสุนัข ก, กิ้งจอกลูกนาคและเราเนี่ยเป็นสหายอยู่ร่วมกันสัตว์ทั้งสี่นี้ก็มาพบกันทั้งเวลาเชา้าเวลาเย็น เราสั่งสอนสหายเหล่านั้นในกุศลธรรมและอกุศลธรรมว่าท่านทั้งหลายจงเว้นจากบา ป, ปกรรมจงตั้งอยู่ในกรรมอันงามก็คือให้ละบาปและอกุศลรกรันรแล้วก็พากันสมาทานประพฤติอยู่ในกุศลธรรมนะก็เป็นท่านเป็นบัณฑิตจริงๆนะที่เรียกว่าสะสะบัณฑิต เพราะว่าเป็นบันเด็จที่สั่งสอนให้เพื่อนทั้งหลายละจากบาปอากุศลให้พากันสมาทานอยู่ในกุศลเราเห็นพระจันทร์เต็มดวงในวันอุโบสถจึงบอกแก่สหายเหล่านั้นว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถท่านทั้งหลายจงตระเตรียมทานทั้งหลายเพื่อให้แก่ทักขินาย บ, บุคคลครั้นให้ทานแก่ทักขินาย บ, บุคคลแล้วจงรักษาอุโบสถ กระต่ายที่ฉลาดนะนะสอนเพื่อนสอนลิงสอนสุนัขยิงจอกสอนนาคว่าวันอุโบสถวันอุโบสถนั้นเราต้องให้ทานก่อนในตอนเช้าเมื่อให้ทานเสร็จแล้วก็สมาทานอุโบสถสหายเหล่านั้นก็รับคําของเราว่าสาธุแล้วก็ได้เตรียมทานต่างๆ ต, ต, ตามสติกําลังแล้วก็สแสวงหาทักษินายบุคคลผู้สมควรรับผู้สมควรรับทักษิณาที่เรียกว่านาบุญ เรานอนคิดถึงทานอันสมควรแก่ทักขินายะบุคคลว่าถ้าเราพึงได้ทักษินายะบุคคลเราจะให้อะไรเป็นทานนะถ้ามีนาบุญเอาอะไรทําบุญดีนะเหมือนงาถั่วเขียวถั่วเหลืองข้าวสารและเปรียงของเราก็ไม่มีเราเลี้ยงชีวิตด้วยญ้าแต่เราก็ไม่อาจจะให้ญยาเป็นทานได้ ถ้าทักขินายะบุคคลมาสักท่านหนึ่งเพื่อขอในสำนักของเราเราก็พึงให้ตนของตนแก่ทักขินายะบุคคลเราจะไม่ให้ทักขินายะบุคคลไปมือเปล่าเนี่ยคิดดูน้กระต่ายนี่คิดจะให้ร่างกายแก่ตัวเอกของตัวเองเนี่เป็นทานเพราะไม่ต้องการให้ทักขินายะบุคคลผู้ที่เป็นนาบุญนี้เที่ยวกลับไปมือเปล่า ข้าวสกะทรงทราบความลำเลดของเราแล้วแปลงเพศเป็นพรามสเสด็จเข้าเข้ามายัางสำนักของเราเพื่อทรงทดลองทานของเราเราเห็นพรามนั้นแล้วก็ยินดีได้กล่าวคำนี้ว่าท่านมาถึงในสำนักของเราเพราะเหตุแห่งอาหารเป็นการดีแลววันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่าน <buh. S 2> คือพูดถึงทั่วทั่วไปเนี่ยนะ กระต่ายทั่วๆไปถูกฆ่าเอาไปปิ้งเอาไปเผาเอาไปย่างอันนี้ได้แต่ว่าน้ำใจของกระต่ายที่คิดสละเองเนี่ยไม่ได้นะนะการว่าผลในที่สุดเนี่ยเป็นเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ทั่วๆไปนั้นถ้าไม่ใช่โพธิสัตว์หรือสัตว์ผู้มีปัญญาก็ยากที่จะคิดให้เป็นบุญอันในสถานการณ์เดียวกันนั้นผู้ที่มีปัญญาโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์ท่านสามารถคิดให้เป็นกุศลได้ตลอดนีนะท่านสามารถคิดให้เป็นกุศลได้เสมอ ท่านก็เลยบอกว่าวันนี้เราจะให้ทานอันประเสริฐที่ใครๆไม่เคยให้แก่ท่านท่านผู้ประกอบด้วยศีลคุณการเบียดเบียนผู้อื่นไม่สมควรแก่ท่านท่านจงไปนําเอาไม้ต่างๆมากอ่อไฟขึ้นเราจะปิ้งตัวของเราท่านจะได้กินเนื้อที่สุกเหมือนกันเดี๋ยวจะ ก, กระโดดเข้ากองไฟให้เป็นทานแก่ท่าน คำนั้นรับคําแล้วก็มีใจร่าเริงนําเอาไมา้ต่างๆมาทําเป็นเชิงตะกรอนใหญ่ะที่เผาศพเรียกเชิงตะกรอนใะชแต่นี่ก็เรียกว่าเป็นที่ปิ้งกระต่ายอย่างนั้นกระทาให้เป็นห้องอันเต็มไปด้วยฐานเพลิงก่อไฟลุกพลงขึ้นณนะที่นั้นทันทีเหมือ น, อ น, น, นไฟนั้นก็กลายเป็นไฟกองใหญ่เราสลัดตัวอันมีธุลีแล้วสลัดตัวด้วยคิดว่าไอ้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เกาะอยู่ตามคนเนี่ย ห, หลุดออกไปอย่าถูกเผาเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่ข้างหนึ่งในการเมื่อกองไม้อันไฟติดทั่วแล้วเป็นควันตลบอยู่ในการนั้นเราก็กระโดดลงไปในถ้มกลางระหว่างเปลวไฟนะก็สละจริงๆนะอุทิศตัวให้เป็นฐานจริงๆแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ถูกเพาอะไรหรอกเหมือนั้นน้ำเย็นอันผู้ใดผู้หนึ่งดำลงแล้วย่อมระงับความกระวนกระวายและความร้อน ย่อมให้ความยินดีและปีติชั้นใดในการเมื่อเราเข้าไปยังไฟที่ลุกโผลงก็ฉันนั้นเหมือนกันความกระวนกระวายทั้งปวงย่อมระ ง, งับดำลงในน้าเย็นฉะนนั้นเราได้ให้แล้วซึ่งกายทั้งสิ้นโดยไม่เหลือได้ให้อะไรบ้างให้ขนให้หนังให้เนื้อเอ็นกระดูกและชิ้นเนื้อหาไทยแก่พรำชนนี้แหละ แต่ว่าก็ไม่ได้ตายอะไรจริงๆรหรอกเนะนะเพราะว่าไฟนั้นเป็นไฟในรมิตขึ้นเนี่ยนะเพื่อที่จะทดลองว่าสละได้จริงไหมซึ่งก็เป็นการสละจริงๆถ้าเป็นไฟจริงไฟแท้ท่านก็ตายข้อความในอัตตกถาเจริยาปิดกสะสะบันดิตเจริยาที่10กล่าวถึงพระองค์ตอนที่เที่ยวสแสวงหาภูธยา น, นะนะบทว่าสะสะโกความว่าดูก่อนสาริบุตร เราเที่ยวสแสวงหาโพธิญาณในการเมื่อเราเป็นสะสะบัณฑิตคือเป็นกระตายจริงอยู่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้ถึงความเป็นผู้ตกอยู่ในอำนาจของกรรมไปถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังมีใจอนุเคราะห์เดรัสัตว์เดรัจฉานขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้ที่สแสวงบุญบารมีสแสวงหาการตรัสรู้แม้เป็นเดรัจฉานก็ไม่มีใจที่ เลิกละไม่มีจิตใจท้อแท้ไม่มีจิตใจท้อถอยในการเจริญกุศลนีนะแสวงหาโอกา ส, สแสวงหาเหตยนหาปัจจัยที่จะเจริญกุศลเพราะท่านเหล่านี้ถือการสมาทานเจริญกุศลเป็นสาระนะถือการเจริญกุศลคือสแสวงหาทานสแสวงหาศีลแสวงหาเนคัมมะเป็นต้นเนี่ยคือเนื่องจากว่าท่านเห็นคุณงามความดีเหล่านี้ จิตใจของท่านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามน้อมไปเพื่อที่จะเจริญกุศลเราคงไม่ลืมว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นี่เป็นอย่างไรโดยพื้นฐานโดยคุณธรรมอนะถ้าทบทวนสักนิดเนี่ยจะรู้ว่าพื้นฐานของพระโพธิสัตว์โดยความรู้สึกนึกคิดของท่านแล้วท่านคิดว่าท่านจะเปลื้องตนและสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรอนนี้คือความคิดพื้นฐานของท่านานับหนึ่งนะนับหนึ่งคือท่านมีกรุณา มีความคิดเป็นพื้นฐานมาเปื้องตนให้พ้นจากทุกข์และเปื้องเปื้องผู้อื่นให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรทำไฉไนสัตว์อื่น أ, ทำไฉไนตนจะเข้าถึงความสุขทำไฉไหนะจะช่วยสัตว์อื่นให้เข้าถึงความสุขเนี่ยนะมุ่งที่จะบำบัดความทุกข์ของตนและผู้อื่นมุ่งที่จะให้สัตว์อื่นประสบก็ أ, เรียกว่าให้สัตว์อื่นพ้นจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขอันนี้คืออัธยาศัยพื้นฐานของท่าน เป็นชีวิตที่อยู่ด้วยกรุณากรุณาทั้งตนและผู้อื่นอย่างที่สองคนที่กรุณาอย่างเดียวเนี่ยนะช่วยคนอื่นได้ไหมกรุณาอย่างเดียวพอไหมเห็นใจเหลือเกินสมมุติว่าเราไม่มีความรู้เรื่องยาไม่ได้เป็นพอเป็นหมอเป็นแพทย์ไม่มีความรู้อะไรสักอย่างเห็นคนป่วยเราบอกว่าเราสงสารเขาสงสารเขาอยากช่วยเขาพอไหมสงสารอย่างเดียวพอไหมบอกไม่พอคนเครื่องที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ก็มีฉันนั้น อะไรบ้างล่ะบุญกับปัญญาสองประการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ตนและผู้อื่นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่มีใจน้อมไปในการสแสวงบุญและก็เจริญปัญญานนนในเหตุการณ์เดียวนี่นะถึงท่านยังทําบุญในส่วนอื่นไม่ได้แต่ที่แน่ๆท่านมีปัญญาปัญญาก็อย่างที่ว่าปรับทัศนคติทําความรู้ความเข้าใจายอย่างถูกต้องโดยที่ไม่คลาดไม่เคลื่อนจากสภาพที่ เป็นจริงของสิ่งนั้นในขณะเดียวกันก็มองออกว่าจะเจริญกุศลในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้ น, นท่านจึงเป็นผู้ที่เรียกว่านักสแสวงบุญก็ไม่ผิดเนี่ยนะเป็นผู้ที่สแสวงหาบุญว่าจะเจริญบุญเจริญกุศลจากสถานที่ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆเวลาต่างๆเป็นต้นได้อย่างไรถึงตัวเองจะอยู่ในสถานะใดก็พร้อมที่จะสแสวงบุญ แต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาขณะเดียวกันก็สแสวงหาความเพิ่มพูนแห่งปัญญาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะอย่างที่ว่าท่านสแสวงหาปัญญาเหมือนพระพิสุทธิ์เที่ยวบินบากเนี่ยนะถือว่าเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรฉันใดอ่กิจในการสแสวงหาปัญญาของท่านก็ฉันนั้นแล้วพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เนื่องจากว่าพระองค์ไม่สันโดษในกุศลไม่สันโดษใน คุณงามความดีเป็นคนที่พร่องในคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาคำสําหรับว่าพร่องนี้หมายคือว่าเน้นที่จะเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจนกว่าจะถึงโพธิญาณจนกว่าจะตรัสรู้ท่านนั้นจึงเที่ยวสแสวงหาคุณงามความดีเนี่ยนะแสวงบุญท่านคุณธรรมสองประการโดยพื้นฐานอัธยาศัยของพระองค์ก็เรียกว่า สแสวงบุญกับสแสวงปัญญาหรือว่าสะสมบุญหรือสะสมปัญญาเนี่ยนะเที่ยวหาบุญและเที่ยวหาปัญญาเพราะว่าถ้าไม่มีบุญพอไม่มีปัญญาช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านท่านช่วยคนอื่นท่านต้องการช่วยอะไรท่านต้องการช่วยให้สัตว์อื่นพ้นจากทุกข์แม้กระทั่งว่าคนที่ที่ไม่มีบุญและไม่มีปัญญาเนี่ยนะช่วยให้คนอื่นเจริญด้วยพรคาซัได้ไห บุญก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีโง่เขาเบ า, บาปัญญาที่สุดช่วยเพิ่มภูนพ่อทรัพย์ให้คนอื่นได้ไหมบอกยากอันนี้ถ้าไม่มีบุญไม่มีปัญญาจะเพิ่มภูนให้คนอื่นมีอริยทรัพย์ได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่สแสวงหาทั้งโภอทรัพย์และอริยทรัพย์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายน้อมไปว่าทําอย่างไรตัวเองและสัตว์อื่นจะเจริญด้วย พ่อข้ัพท์และจะเจริญด้วยอริยทรัพย์จะช่วยเพิ่มพูนอริยทรัพย์ให้แก่สัตว์อื่นได้อย่างไรเพราัน้าหากว่าไม่มีบุญพอไม่มีปัญญาพอไม่มีความไม่มีบุญไม่มีความสามารถช่วยคนอื่นไม่ได้หรอกเนี่ยนะพราะนั้ น, นบุญนั้นบุญกับปัญญาเป็นคุณธรรมสองประการที่จะช่วยตนและช่วยผู้อื่นให้ถึงความพ้นทุกข์อยู่ได้เพันธุ์อันดับแรกคือคือ อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าจะนับหนึ่งก็ได้ว่าท่านสแสวงหาความพ้นทุกข์ของตัวเองกับผู้อื่นถ้าจะนับ2ก็คือสแสวงบุญกุศลกับปัญญาเมื่อเจริญด้วยบุญเจริญด้วยกุศลและเพียบพร้อมไปด้วยปัญญาเขาจะช่วยเปลื้องตนและเปลื้องสัตว์อื่นให้พ้นทุกข์เนี่ยนะก็คําว่าบุญเนี่ยนะบุญเนี่ยเป็นที่มาของอะไรบ้างบุญบุญญาณิธิเนี่ยนะบุญเนี่ยเป็นเหตุให้สําเร็จด้วยโภคทรัพย์รูปสมบัติ วันณนสะสมบัติหรือสุขภาพอะไรเป็นต้นเนี่ยนะอำนาจบุญบารมีอย่างอื่นๆที่เราเรียกกันว่าคนมีบารมีภาษาธรรมะใช้ศัพท์เดียวว่าบุญส่วนปัญญาเนี่ยนะบางคนเนี่ยมีบุญมีอำนาจจริงแต่ว่าไม่มีปัญญาทีนี้ท่านมีทั้งบุญและมีทั้งปัญญาหรือมีทั้งอำนาจมีทั้งปัญญาพระองค์จึงสามารถช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของสัตว์อื่นได้เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันนั้นอนะทำอย่างไรกว่าจะถึงวันนั้นก็แสวงบุญแล้ว แสวงหาปัญญาอยู่เสมอเนี่ยนะเพิ่มพูนบุญเพิ่มพูนปัญญาก็อย่างว่าสมมุติถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมเนี่ยนะคนที่แสวงหาแสงสว่างเนี่ยทำให้มันสว่างสว่างขึ้นจะต้องเติมเชื้อเพลิงขนาดไหนจึงจะสว่างแล้วถามว่าอย่างว่าแสงสว่างในโลกเนี่ยถ้าไฟกองตโตมันจะสว่างเท่าไหร่เท่าไหนกลางคืนนะเคยเห็นว่าไฟอะไรที่มันสว่างที่สุดไฟที่มนุษย์สร้างขึ้น อย่างมากก็สปอตไลท์ใช่ไหมสปอรตไลท์หลายตัวหลายๆอาจจะใช้กําลังไฟที่เยอะมากๆแต่ก็สว่างทั่วอนาบริเวณนะนะก็อย่างที่ที่สว่างในโลกเนี้ยก็มีสว่างอยู่เท่านี้แสงสว่างเหล่านั้นสู้แสงสว่างแห่งดวงดาวได้ไหมไม่ได้ดวงดาวสว่างกว่าแสงสว่างแห่งดวงดาวอย่างไรก็สู้แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ไม่ได้แสงสว่างแห่งดวงจันทร์สว่างขนาดไหนก็สู้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่ได้ พระพุทธเจ้ามีกำลังปัญญาสว่างกว่าดวงสว่างกว่าความสว่างในโลกสว่างกว่าความสว่างแห่งดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์พันธพระองค์จะต้องเพิ่มพูนไอแสงสว่างนี้ขนาดไหนแต่ในโลกนี้ปัญญาอะโลโกปัญญาโอภาโสปัญญาเป็นแสงสว่างเนี่ยนะปัญญาเป็นโอภาส เป็นตัวที่สว่างสวัยสว่างสวัยปัญญานั้นส่องรู้ได้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันส่องถึงเหตุส่องถึงผลส่องถึงอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละควรเจริญและควรทำให้แจ้งปัญญานี้เป็นเครื่องชี้นำว่าทำอย่างไรจะถึงความดับทุกถึงความทนทุกข แต่ถ้าคนมีปัญญาถ้าไม่มีบุญก็อย่างว่าคนที่มีบุญแต่ขาดปัญญาก็ยังไง ก, ก็ก็อับเฉาทั้งคู่ะนะท่านจึงสแสวงหาคุณธรรม2ประการคือบุญและปัญญาเนี่ยนะนะทีนี้ผู้ที่จะเสริมบุญเพิ่มภูนบุญเนี่ยนะถ้าจะนับเป็นทวารพ้นกายวาจาใจไหมไม่พ้นเพราะมั้นก็มุ่งที่จะเจริญคุณงามความดีกุศลทางกายวาจาและใจคือว่าดํารงมั่นอยู่ในสุจริตสประการมันคนที่สแสวงบุญก็คือสแสวงหา การประพฤติที่สุจริตแสวงหาการประพฤติที่เป็นธรรมไฉกายะสุจริตที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วจะได้เพิ่มพูนทำอย่างไรวจีสุจริตที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่วจีสุจริตที่เกิดขึ้นแล้วจกเพิ่มพูนทำอย่างไรมโนสุดจริตที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดมโนสุจริตที่เกิดขึ้นแล้วก็จะได้เพิ่มพูนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือความดีสประการที่มีอยู่วัน คุณงามความดีบุญกุศลในการสแสวงหาการตรัสรู้จะเรียกว่าสแสวงหาความบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจก็ไม่ผิดมันบุญะนะคนที่มีกรุณานี่ก็ยังไงก็ออกมาทางกายวาจาและใจคนที่มีปัญญาและคนที่มีบุญอย่างไรก็ออกมาทางกายวาจาใจเพราะการสแสวงบุญการเจริญบุญเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปก็คือสแสวงหาความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและ ใจอันนี้ก็เป็นคุณเครื่องเครื่องวัดอย่างหนึ่งว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพิ่มพูนขึ้นไหมถ้าเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นแสดงว่าถูกต้องเพราะความบริสุทธิ์คือพระนิพพานบนรรลุด้วยความทุจริตทางกายวาจาใจได้ไหมบอกไม่ได้ความาทำที่บริสุทธิ์คือพระนิพพานที่สงบดับทุกข์ทั้งปวงเกิดเกิดขึ้นจาก กายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตที่เป็นข้อปฏิบัติดําเนินให้ถึงต่อไปคุณธรรมสประการของพระโพธิสัตว์ทั่วไปคุณธรรม4ประการของท่านคือท่านมีอธิฐานธรรมสประการเนี่ยนะท่านมีอธิฐานธรรม4ี่ประการอยู่ในตัวคือท่านมีสัจจาทิฐานท่านมีอะไรนะสัจจาทิฐานมีจาคาธิฐาน มีอุปสมาที่ฐานแล้วก็มีปัญญาที่ฐานท่านมีอธิฐานธรรม4ประการคือชีวิตของท่านดำรงอยู่ด้วยสัจจะดำรงอยู่ด้วยจาคะคือตั้งมั่นอยู่ด้วยสัจจะตั้งมั่นอยู่ด้วยจาคะตั้งมั่นอยู่ด้วยอุปสมะและตั้งมั่นอยู่ด้วยปัญญาเรียกว่าอธิฐานธรรม4ประการสัจจะจาคะปัญญาแล้วก็อุปสมะเนี่ยนะอันนี้คือความดารงมั่นของท่านขณะเดียวกัน พุทธภูมิสี่ประการก็มีอยู่ในตัวพุทธภูมิสี่ประการก็คืออะไรบ้างพุทธภูมิสประการก็คืออุสาหะท่านเป็นผู้ที่ไม่เลิกลาในการเจริญกุกศลมีแต่คิดเพิ่มพูนบุญกุศลอันนี้คือเรียกว่าอุสาหะอย่างที่สองท่านมีปัญญาเนี่ยนะมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรที่จะเกื้อกูลต่อไป ขาดเดียวกันท่านมีอวัตถานะคือตั้งใจตั้งใจมั่นไม่ไม่เปลี่ยนแปลงมั่นคงเสมอเนี่ยนะเรียกว่าไม่โยกไม่เยกบางทีคนที่เจริญกุศลเนี่ยนะถ้าทั่วๆไปเนี่ยบางทีมันงอนงอนงอนงอนงอ น, นเ อ, เ อ, เอกุศลนี่มันก็ดีนะถ้าเพลียเลียขึ้นมาเอ๊ชักไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมหลายคนบอกให้ทานนี่ดีไหมบอกดี ชั่วโมงแรกนี่ดีชั่วโมงที่2อนีช่ชักแย่แล้วนะงอนแงนงอนแงนีงนะทำไปนานๆเข้าซาไปเลยอย่างไ้ก็มีไม่ใช่โรคซาอนะนั่นมีแต่เพิ่มอันนี้หมายคือว่าบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยนะทำยังไงที่จะเพิ่มพูนแล้วก็มั่นคงขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านทําทั้งหมดก็เพื่อเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเขาเรียกว่าหิตะจริยาประพฤติทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตนและ ผู้อื่นทําทุกอย่างเพื่อให้ตนและผู้อื่นถึงความพ้นทุกข์เขาเรียกว่ามีหิตจริยาเกรียกว่าประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นนะท่านท่านมีรจริงๆแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านมีหิริท่านจึงไม่เบียดเบียนตนท่านจึงไม่ให้ตนทําบาปขณะเดียวกันท่านก็มีโอตตะปะท่านจึงไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่ทําบาปทั้งหลายก็หิริโอตตะปะนั่นแหละ ฮิริโอตปะนี่เป็นเหตุแห่งคุณธรรมอย่างอื่นอีกอ น, น, ะนะสรุปทวนนะหนึ่งทำหคือกรุณาทรสองคือบุญและปัญญาทรรา3คือสุจริตสธรทม4คืออธิษฐานธรรมสี่ทม4คือพุทธภูมิ4แล้วก็มีทรหม5อกีกทรรม5ประการที่ท่านเพิ่มพูนอยู่เสมอคือทรชะไนจะเพิ่มศรัทธาได้ ศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดศรัทธาที่เกิดแล้วก็เจริญ ง, งอกงามไพยบู์กว้างขวางทำอย่างไรที่จะเพิ่ม<ป>วิริยะที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็เพิ่ม <โ frustrating. S 2> วิริยะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเพิ่มพูนไพศาลทำอย่างไรสตทิที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดสตทิที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนเจริญ ง, งอกงามไพศาลเนี่ยนะ ทำอย่างไรสมาธิ <Barbie> ที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนเจริญบริบูรณ์อย่างไพศาลทำอย่างไรสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ขอให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนและไพศาลปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดปัญญาที่เกิดแล้วก็เพื่อความเพิ่มพูนเจริญไพ่บูร์งอกงามยิ่งิ่งขึ้นไปแล้วก็เรียกอินทรีย์หก็ได้นะทำเครื่องบ่มมิมติทําเป็นเครื่องบ่มการตรัสรู้คือศรัทธาวิริยสติสมาธิและ ปัญญาคุณธรรมอันนี้นี่แหละที่จะช่วยให้พระองค์ตรัสรู้ท่านสแสวงหาการเพิ่มพูนศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาจากกุศลธรรมเหล่านี้จากยานวิปยุทธ์เพิ่มให้เป็นยานสัมปยุทธ์จากอุเบกขาให้เป็นสมนัสจากเรียกว่าคุณภาพ น, น้อยให้เพิ่มคุณภาพแล้วก็บุญเหล่านี้ภัยบุญทั้งเบื้องต้นก่อนก่อนท กำลังทําแล้วก็ทําเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วหลังจากทําแล้วก็ตามระลึกแล้วก็เพื่อความเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอบุนกุศลเหล่านี้นะจากที่ทําเคยทําได้เล็กน้อยก็ทําให้มากยิ่งขึ้นจากเคยเจริญได้เวลาช่วง น, นิดๆหน่อยๆก็เพิ่มพูนเวลามากขึ้นขยายเวลามากขึ้นขณะเดียวกันก็ยังขยายคุณภาพของกุศลเหล่านั้นให้เป็นกุศลที่มีคุณภาพประณีตยิ่งขึ้น ขยายจากกุศล ส, สังขาริกเป็นอาสังขาริกตอนแรกก็ต้องอาศัยคนอื่นชักชวนนานๆานเข้าก็ตั้งมั่นถึงขนาดว่าไม่ต้องพึ่งอาศัยผู้ใดก็ยังเจริญกุศลเหล่านี้ต่อไปได้อย่างมากมายจากกุศลเหล่านี้ที่เป็นกามาวจรเป็นปริตตะพัฒนาเพิ่มพูนจนเป็นระดับมหคตะตเพิ่มคุณภาพจนเป็นมหคตะตแล้วก็มหัะตก็เพิ่มคุณภาพจากระดับปฐมฌานไล่ขึ้นเป็น ธุติยชาญตติยชาญจตุทชาญเป็นต้นแปรสภาพจากธรรมะฝ่ายเสื่อมให้เป็นฝ่ายดำรงอยู่แปรสภาพจากฝ่ายดำรงอยู่ให้เป็นความพิเศษขึ้นแล้วก็พิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะนิเพทะภากยะจนกว่าจะคู่ควรแก่การตรัสรู้มีแต่การเพิ่มพูนขยายภัยบุญให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนั้นคือ สิ่งที่ท่านสแสวงหาสิ่งที่ท่านเพิ่มพูนสิ่งที่ท่านเจริญก็คือท่านเจริญอินรี่ห้านั่นแหละเจริญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิและปัญญาพันถ้าใครแส่ตรงนี้นิดหนึ่งว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเจริญตามอริยวง วงของพระริยเจ้าพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าสาวกับพุทธเจ้าพระริยาเจ้าทั้งหลายท่านก็เพิ่มพูนอินทรีย์5ท่านก็เจริญอินทรีย์5จึงได้ถึงความพ้นทุกข์ถ้าเราบอกว่าเลือกข้อปฏิบัติไม่ค่อยถูกว่าจะทํำยังไงดีก็มาไลา่ดูเช็คตรวจสอบเพื่อจะเจริญอินทรีย์5ถ้าอินทรีย์5สามคีสมังคีการจากปริฏตะเป็นมหคตะจากมหคตะเป็นอปปมานะได้ถ้าเจริญตามนั้นได้ก็ถึงความ พนทุกได้จริงเนี่ยนะหรือคุณธรรมอย่างอื่นของพระองค์นะธรรมะหมวด6ก็คืออะไรพระองค์มีอัธยาศัย6ประการอัธยาศัย6ประการก็คือ1ท่านมีอโลภะตยาศัยนะคือมีอัธยาศัยน้อมไปเพื่อความไม่โลภขณะเดียวกันก็เห็นโทษของความโลภนะน้อมไปเพื่อความไม่โลภเพราะเห็นโทษของความโลภ ความโลภมีโทษอย่างไรเนี่ยนะอธิบายก็เรื่องยาวว่ากันแต่สรุปว่าท่านน้อมไปเพื่อเห็นโทษของความโลภเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โลภเห็นโทษของความโกรธแล้วก็เห็นอา น, นิสงส์ของความไม่โกรธเพราะท่านจึงมีอโศศทธยาสายอโศสะบวกอัธยาศัยเรียกว่าอโทศศทายาสายมีอัธยาศัยเพิ่มพูนเพื่อเกี่ยวกัมีเหตุผลไม่รู้จะโกรธไปทําไม เห็นโทษของความโกรธโดยประการทั้งปวงเห็นคุณเห็นประโยชน์ของความไม่โกรธโดยประการทั้งปวงเห็นคุณนัประโยชน์ของความไม่โกรธเห็นโทษพิษภัยของความโกรธและก็อัธยาศัยเรียกว่าอโมหัธยาศัยอัธยาศัยเพื่อความไม่โง่เขลาหลงงมงายไม่เงองะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือมีอัธยาศัยที่จะฉลาดมีสติปัญญารอบรู้ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันรอบรู้ทั้งเหตุและผล อันนี้เรว่ า, าโมหัทยาสายัยแล้วก็เห็นพิษภัยทุกโทษของโมหะเห็นทุกโทษของความลุ่มหลงก็อย่างว่าโลภะโทสะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นไฟใช่ั้มเป็นไฟก็น้อมไปเพื่อที่จะดับไฟคือราคะน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือโ am, ทสะน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือโมหะความที่ท่านน้อมไปเพื่อจะดับไฟคือราคะโทสะโมหะอันนี้แหละเรียกว่า อโลพัทยาสายัยอโทสัตทยาสายัยและอโมหัทยาสัยอัธยาสายั ย, าสายเพื่อกําจัดราคะโทสะและโมหะเนื่องจากว่าท่านมองเห็นว่าเป็นไฟเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนแห่งกองทุกขเป็นเหตุแห่งความเร่าร้อนโดยประการทั้งปวงในวัตตะแล้วก็มีอัทยาสัยอีกสประการของท่าน น, นะอัธยาสัย3แมเลยนะอโลพะอโทสะและอโมหะอัธยาสัยต่อไปของท่านคือเนคขมัทยาสายัย นะอัธยาศัยเพื่อเพื่อที่จะออกจากภพเรียนกะว่าเห็นความวุ่นวายของวัฏะมีอัธยาศัยอันเดียวคือออกจากวัฏะคิดอีกในหนึ่งนะบอกว่าพระโพธิสัตว์ขณะท่านมีอัธยาศัยออกนะท่านทนอยู่ตั้งเสียสงไขนะอัธยจริงๆริงถามว่าอยากอยู่ไหมบอกไม่อยากอยู่โดยประการทั้งปวกแล้วทำไมจึงอยู่ล่ะก็ก็อย่างว่าคุณธรรมอันหนึ่งคือกรุณาเนี่ยบีบเอาไว้วอย่าพิ่งเลยนะอย่าพิ่งเลยไอ้ไม่อยากอยู่ นะอยากจะออกเต็มทีแล้วล่ะเอียนเต็มทีแล้วล่ะแต่ว่าออกไม่ได้เนี่ยนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าคนน้อมไปเพื่อจะผูกพันอยู่กับวัตะเจริญบารมีไม่ได้เรียกว่าให้ทานแบบหม้อคว่ำเป็นต้นไม่ได้หรอกถ้าถ้าอัธยาศัยที่จะหมกมุ่นอยู่ในวัตะเพราะนั้นความที่ท่านมีอัธยาศัยที่จะออกไออยากจะออกอยู่แล้วก็เลยสละอะไรได้ไม่ยากก็ไม่ได้อยากอยู่อยู่แล้วนะเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆกับว่า ว่าอ้ยท่านบริจาคสิ่งเหล่านั้นได้ยังไงปกตอนแรกก็ไม่อยากได้อยู่แล้วนะไม่อยากได้ตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วฉั้นการสละในสิ่งทั้งหลายจึงไม่ได้เป็นของยากฉะนั้นถามว่าพื้นฐานจริงๆท่านเป็นคนรักชีวิตมากเลยใช่ไหมบอกก็ไม่ถึงขนาดนั้นอะไรเนี่ยนะเรียกว่าเป็นบุคคลกลุ่มที่เรียกว่าพร้อมจะตายได้เสมอถ้าสํา น, นวนว่าถ้ามีเหตุผลอันสมควรแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้เหตุผลอันสมควรที่จะสร้างบารมีท่านก็ตายได้เช่นเนี่ยสรบัณฑิตเนี่ยคือ พยากรตายเนี่ยได้เหตุผลอันสมควรก็ไม่เห็นว่าความตายเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเนยนะถามว่าทำไมความตายของท่านท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตคือท่านมีบุญถึงขนาดว่าไอ้ความตายไม่ใช่สิ่งที่ท่านกลัวท่านเป็นคนมีบุญขนาดนั้นเรียกอะไรนะเกิดเป็นเทวดาก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันเกิดเป็นพรหมก็ฆ่าตัวตายได้เพื่อที่จะได้ลงมาเกิดแล้วท่านมาเกิดท่านก็ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่มีบุญมากจนไม่กลัวว่า ตรงไหนที่ท่านว่ามันน่ากลัวบ้างไม่มีเพราะเป็นผู้ที่มีบุญมากสะสมบุญมากขนาดนั้นนะท่านจึงไม่ได้มีความรู้สึกหนักใจเลย